องเมนทุกคนและญาติโยมทุกทุกคนตั้งใจฟังการฟังถ้าหากตั้งใจฟังแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาถ้าหากหมได้ตั้งใจฟังแล้วโมได้เกิดปัญญา ฟังแล้วให้จดจำได้ฟังดีมีปัญญาเกิดขึ้นฟังโบดีโบมีปัญญาเกิดขึ้นดังนั้นการพูดธรรมะที่เฮาอบรมกันนี้ต้องพูดธรรมะ ท, ที่ทุกคนสามารถจะทำได้ดังนั้นที่เฮามา องครมนี้เรียกว่ามาซื่ต่ออายุพระพุทธศาสนากระวะได้หรือว่าทำให้พุทธศาสนามั่นคงต่อไปกระวะได้หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าทำให้พุทธศาสนาเจริญก้าวหน้ากระวะได้หรือเป็นการต่ออายุของเขาอีกตื่นทนึงเพราะว่า ศาสนานั่นเหาะไปเห็นอยู่ตั้งแต่วัดวาอารามาพระพุทธรูปเป็ น, นอย่างไร้างดังนั้นตัวศาสนาจริงๆแล้วคือโตเฮานี่แหละคือโตคนทุกคนนี่แหละเป็นโตศาสนาโตพุทธศาสนาจริงๆแล้วก็คือโตสติโตปัญญาของทุกๆคนนั่นแหละตั้งแต่ว่า ซา ห, หรือเลวพันในพิษกันแ่ก็เหมือนกันทุกคนเปียบให้ฟังคือว่าพืชเม็ดอันที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่ในคนทุกคนเหมือนกันกับในเขาเขาเปลือกเขาเนี่ถ้ามันอ้วนมันเต็มออกไปงอกออกไปปลูกออกเม็ดถูกเนตต่างตั้งแต่ว่า เม็ดไตที่ไปตกบนซุ้มบนเย็นกับเม็ดไตที่ไปตกบนมันแดดมันแห้งบนมันแดดมันแห้งนั่นกัดจีนานออกแดดแต่รักษาว่าจะให้หมดขินบนในเม็ดไตไปตกอยู่บนซุ้มบนเย็นนั่งกัดจนนออกง่ไงเป็นไปได้ไหดังนั้นเอามาสืบต่ออายุเขาเกี่ยวอะไรเพราะว่าเขาจะเป็นคนรู้เขาจะเป็นคนเห็น เขาจะเป็นคนเข้าใจเขาเคยได้ยินเขาก็เคยทำวัตอยิวเน่ที่เขาสวดกันในหลักคำมั่คุณว่าสวัสคาโตพร ะ, ะวตาทมโมนอันนี้เป็นภาษาปาลีวอลเลคบุรู้เรื่องเมื่อบัตนรนี้มาแปลเป็นภาษาไทยเขาว่าพระธรรม อันพระพุทธภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วคือพระภูริเจ้าตัดไว้ดีแล้วโบหักผิดห้าหากผู้เดปฏิบัติตามข้อส่วนของพระภูริเจ้าแล้วันนี้มาเพิ่งราวเลสันทิติโกอันผู้ศึกษาและปฏิบัติผู้ศึกษาและปฏิบัติ จะเพิ่งรู้เองเห็นเองเข้าใจเองคันศึกษาเล่าเรียนซื้อโบได้โบหนึ่ศึกษาปฏิบัตินี่คนนุ้นละอันกันเลยศึกษาแล้วปฏิบัติพร้อมอันหนึ่ง <c oughs> อันนึงศึกษาเล่าเรียนซื้ออันใช่ไหมผู้ศึกษาและปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองรู้ได้ตัวตน กากนิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้และปฏิบัติไดนะ้ให้ผลได้ทุกคนจุดจำให้มันดีถ้าหากว่าเขาจุดจำบ่ดีเราปฏิบัติกับบ่ได้คนมันก็เลยบ่ได้นับดังนั้นที่นำมาเล่าสู้ฝังเป็นหัวข้อเพีย ง, งสั้นๆเขาเกิดมาทุกคนในชีวิตนี้ ต้องการแต่ผลสุขผลเจริญผลก้าวหน้าถ้าหากเขาประพฤติปฏิบัติตามแนวคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีแต่ผลเจริญผลก้าวหน้าทั้งนั้นถ้าหากว่าเขาบได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วที่โบเจริญที่โบก้าวหน้าคําว่าเจริญคําว่าก้าวหน้านี่ค่ก้าวหน้าแบบคนละย่างเจริญแบบคุณะย่าง บางคนต้องการก้าวหน้าทางวัตถุทางเงินหาทองจเจริญทางวัตถุจเจริญทางหางเงินหาทองบ้านเพือนงานเันนะครัาการก้าวหน้าทางนั้นก็ดีแล้วจเจริญทางนั้นก็ดีแล้วให้เรามีคนจเจริญควก้าวหน้าทางศัพท์ภายในอย่าเอาต้องแต่ศัพท์ภายนอกทรัพย์ภายในนะเพื่นว่าตัวสติ ตัวสมาธิตัวปัญญาตัวเห็นแจ้งตัวรู้จริงสัจธรรมคําสอนของพระเจ้านั้นพระพุทธเจ้าเปนว่าสภาพสภาวะดั้งเดิมคือกันรมัดเป็นว่าบ้าผิดกันคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤ ษ, ค น, กฤษคนอเมริกาคนเยอรมันคนคามรคนดวนคนลาวคือกันรมัดบ้ผิดกันเป็นว่า ถ้าหาวาศึกษาทุกหลักแล้วรู้คือกันมดเพราะว่าคนไทยจะมีตาสองตามีแขนสองแขนขาสองขาคือกันมืดให้ว่าเธอไปจะมมกสองหูหูก็มีสองข้างคือกันคนจีนคนฝรั่งเศสคนอินเดียที่พระพุทธเจ้าเกิดในประเทศอินเดียก็คือกันมั่ผิดกัน มีผู้หยิ่งผู้สายคือกันแต่ว่าผู้เ ด, ดปฏิบัติถูกปฏิบัติตามแนวของพระพุทธเจ้านั้นเป็นว่าลูกคือกันคันว่าปฏิบัติตามแนวของพระพุทธเจ้านั้นบูรูษเป็นวางเป็นเหนอว่าสภาพสภาวะดั้งเดิมขือกัมืดหมดบัดนี้เพิ่นมาตัดไว้อีกตึนเหนือสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตฟังอย่างที่เขาจีบบกเข้าใจ ว่าเขาโบเคยได้ยินอย่างีสัตว์บวนแมวสัตว์เด ร, าารัจฉานสัตว์มนุษย์เป็นคือภพเจ้าเป็นตถาคตเมื่อฟังโบเข้าใจเป็นว่าสัตว์ทั้งหลายคือขันกับเราตถาคตเป็นคือกันกับภพเจ้าเมื่อโบหูบบเห็นนั้นเรื่องกับสอดแกะแสวงหาทางคุณคุกอยู่ภพเจ้าเมื่อเพิน่นรู้เพิ่นเห็นแล้เพิ่งกับว่าสัตว์ทั้งหลาย เราตถาคตไปถึงแล้วแหงนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจย่างเราตถาคดนี้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติย่างเราตถาคดนี้ก็จะรู้จะเห็นย่างเราแต่ถาคดนี้ถ้าห้ากไม่ปฏิบัติย่างเราแต่ถาคดนี้ที่บ่งหูบ่งเห็นย่างเราแต่ถาคดนี้ส่วนมา ดนั้นเห่าได้เหตุแล้วได้ทำแล้วให้ฐานรักษาศีลเจริญกรรมฐ า, านหรือเจริญวินนปสัสสนาขอกจากเมาหลายแล้วแต่เหา่ขเขาเนีบุกเข้าใจบัดนี้เมื่อมาทำตามแบบรพระพุทธจ้าจริงๆแล้วนะมันคงจะเข้าใจตามแบบของพระพเจ้านั้นเหาก็รู้จักดีเรื่องมูนีพระพุทธเจ้านั้นเป็นคนอินเดียเกิดในประเทศอินเดีย เกิดในตระกูลมหากษัตริย์และสูงํำดำขาวนั่งกลับเป็นคนอินเดียเสื้อซาบตระกูลอันที่พระพุทธเจ้าเกิดในประเทศอินเดียนั้นบมได้ทาให้เจ้าสายศิษิากุมารนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้โมถ้าเป็นพระพุทธเจ้าโดได้เกิดมาเป็นเจ้าสายศิษิถากุมารยังมีลูกวีเมียได้ราหุนนี่ เราก็เคยได้ยินยว่าซิ่งเหล่านั้นบุธธรรมให้เจ้าสายกิจ ธ, ธาเป็นพระพุทธเจ้าใด้เสื้อซาตกลุ่นนั้นบอดบุธธรให้เป็นพระพุทธเจ้าไดยังนั้นความดีความซัวนั้นจึงบ่ได้ขึ้นดูกับเสื้อซาตกะกูลใดๆทั้งหมดมันขึ้นดูสําหรับคนทําดี กับคนทาซัวด้วนะผู้ทําดีแล้วจะเป็นเสื้อซาตต่ำต้อยก็ดีได้และจะเป็นเสื้อซาตมหากษัตริย์ก็ดีได้ถ้าห้าทาซัวแล้วเสื้อซาตต่ำต้อยก็ซัวได้คือกันเสื้อซาตมหากษัตริย์ก็ซัวได้คือกันดังนั้นมันบ็ได้ขึ้นกับเสื้อซาตตระกูลใดๆทั้งหมด มันขึ้นอยู่กับการประรมเท่านั้นเมื่อพระองค์ได้ทำถูกต้องแล้วก็ได้ตัดสรูปเป็นพระพุศเจ้าขเพื่อนให้ทานคนืรักษาสิล ม, มาทำกรรมฐานมาจนได้สมบัตเต็ดได้รูปสารอารูปสารพลวาลรูปสารซี่อารูปสารซี่เรียนนําอาจารย์สององค์ อันนั้นกับโบมเสบน์ทางนี้เป็นยมวัฒทางมิใช่ทา ง, างทางดอกอาบุเบนทางเป็นวังแต่เมืนบุเบนทางคนทุกข์ดังนั้นเฮามายพบรมกันนี้ต้องมาทําจริงจรงจังๆถ้าหางบถามจริงๆจัง ๆ, ง ๆ, ๆแล้วมันจะบอกเข้าใจเฮาเคยได้อ่านหนังสือหลักสูตรนักธรรมสันเอกเป็นขมรู่สันเอกธรรมวิจาร คือหน้าที่เท่าใดของผมจำโมคคอยได้ดีเปนว่าผู้ที่เจริญสติปัฏฐานสี่นั้นให้ถูกต้องติดต่อกันเมลูกโซ่เปนว่าแล้วมีอนิสงส์สองประขาเป่นว่ า, ว า, า, วาทำให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่หนึ่งเป็นเพราะอรหันในปัจจุบันครบนี้สอง ถ้าหากว่าได้เป็นพระารหันต้องเป็นพระอนาคามีในปัจจุบันศาสตร์มีเพิ่นว่าย่างนานเจ็ดปีดเทพเพิ่นว่าให้ทาย่างกลางเจ็ดเดือนย่างไวที่สุดนับต้องเต่ ม, มือหนึ่งถึงเจ็ดมือหรือสิบห้ามือเพิ่นว่าอันนี้ส่งมานั้นหากว่าได้เป็นพระาะหันแล้วต้องเป็นพระอนาคามีแน่นอนที่สุดเพิ่นว่าท่น แต่สําหรับผมที่นํามาเล่าสู้ฝั่งนี้ถ้าหากจเจริญสติอย่างที่เอาฝึกหัดอบรมกันมาอยู่เดี๋ยวนี้นี่อย่างนานบวกเกินสามปีอันนี้ย่างกลางปีนึงย่างไหวที่สุดนั้นเอานับตั้งแต่ ม, มือหนึง่งถึงเก้าสิบมือสามเดือนอันนี้ส่มันโบตองพูดหนอกโบตองพูดถึงว่าอันนี้ส่งอย่างนั้นอย่างนี้หรอก แล้วก็บรรทัการว่าที่เป็นพระอรหันต์เป็นพระอนาคามีเป็นพระสักขีพระคาเป็นพระโซดาโมบายต่างๆคืออาไรนี่ส่งมันนันขวมโก้ขวมโลกข่มหลงหรือข่มทุกข์ขมเส้งเนี่ยจะลดน้อยจางไปรับรองได้ครับคำพูดที่ผมนำมาเล่าสู่ฟังนี แปลว่าให้รููจักสร้างจังหวะวิธียังที่ห้องเพชุกันอยู่เดี๋ยวนี้สอนกันอยู่เดี๋ยวนี้แนะนํากันอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เรามีสติกําหนดรู้ในอริยาบถ ท, ทั้งสี่ยืนให้มีสติเข้าไปกําหนดรู้เดินให้มีสติเข้าไปกําหนดรู้ นั่งให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้นอนให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้แต่สี่อย่างนี้เพิ่กงกลายเปบนวอ钵 ค, คแล้วยังให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิริยาบถ ย, ย้อยขูดเยียดเคลื่อนไหวทุกวิธีไในชีวิวโดยวิธีเดรัจฉามางให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้มากันเช่นพิษตาหาใจอาปาก คือน้ำลายเขาคืนไหนออกม่นให้มีสติเข้าไปกำเนดรู้ทั้งหมดการทำอื่นๆนั้นบุคคลนี้ผมเคยได้ทำมาเส้นพุทธโพยังเคยได้เว้าสูา้ฟังอัลหังนับหนึ่งสองสามหอยุกอานาปานาสตินี่เคยทำมาแล้วมันบุกเกิดปัญญามันบุกหูจัก มันบกแจ้งในใจในใจมันมืดตือ้ออยู่สันเมื่อมาทำอันนี้บ่านานครับบึดเดียวถ้าทำจริงๆแล้วมันสว่างขึ้นภายใน จ, ใจิตใจเคยว่าสู้ฟังมาหลายเธอแล้วที่นำมาเราสู้ฟังก็ได้ดังนั้นให้พวกเขาพยายามทำคนผู้ที่ยังบทันเกิดศรัทธา ข้าเจ้าจีได้ยินกิตศักดิ์เก็ดตถาอยากมาเบิง้งอยากมาฟังอย่างที่ลูกลูกลา น, ลานพี่น้องหอามาเบิง้งมาฟังถ้าห้าบ่มีโอกาสบ่มีเวลาจีได้อยู่ปฏิบัติข้าเจ้าก็ฟังแล้วข้าเจ้าก็กลับขคืนไปบ้านไปทําการไปทํางานเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดส่วนก็ให้เบิ้งคมคิดไปด้วยเบิ้งคมเคลื่อนไหวหอาไปด้วย เขาจะกลับไปเหตุอยู่คุณพวกเขามีเวลาหลายเขาว่างเขามาปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนนอกจากนอนหลับตั้งอกตั้งใจทํามันก็บหูง่ายผู้ที่ไปทําการทํางานกระ น, น่ำหูเขาเฮตุอยู่เดียวดีนี่มันหูง่ายเพราะว่ามันติดต่อกันแน่นมันเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ ดังนั้นการหู้กับโบมินหูอื่นไกันหูโตเขาเพียงว่าผู้ศึกษาและปฏิบัติจะรู้ได้เฉพาะตนก็รู้ตนเฮานี่เองเขาเคยได้ยินพระพุทธเจ้ากับธรรมวัตรกระลิกไปยู่น้ากันผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราเจะจับซายจีบลื่นนิ้วมือเรายูบก็ไม่เห็นเราเพราะไม่เห็นธรรม คันเห็นทำนั่นต้องเห็นตัวเห่าอย่าไปเห็นอันอื่นอย่าไปเห็นสีเห็นแจงเห็นทีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์นั้นอย่าไปเิ็นันสั้นต้องเห็นตัวเห่ากําลังทำกําลังพูดกําลังคิดนี้เรียว่าเห็นธรรมอ่ะจแท้คันท้าหัว่าเห็นอันนี้บวมเองคำว่านิมิตนิมิตของนั้นไปเห็นสีเห็นแจง เห็นพระพุทธรูปเห็นดวงแก้วอันนั้นตบุมณ์มันเป็นมายาของจิตใจมันลอ่อเวามีมิตรเปว่าเครื่องหมายเขาเคลื่อนเขาไหวหุ่นจักมีสติอันนั้นแหะเครื่องหมายเขาพิบตาหวงมือเนี่ยอันนั้นแหะเครื่องหมายให้เขามีสติอยู่ฮั้นสมมุติเขาจี้ญิงหน้าจี้ญิงแบนเนเขาเอาใบไม้หรือเอาอย่างไปติดใบเป็ไว้ ไก่ ค, คุณห่าเหลงลุกหน้าเหลงลูกกระสูนเอาเอิญมะ ก, กระสูนแน่ใส่ไปนเนี่ยห่าหนิงแต็ก ค, คือสิบางคนก็ทึกแดนบางคนก็โบทูกข้ามลอดเนี่ยบางคนบางคนก็ไปขานั้นไปขานี้เนี่ยมะกระสูนเขาก็คือกันเ่าแน่เครือเครื่องนะห่ เ, เดงปึง้งไปใส่เลยสิบางคนก็ทูบบางคนก็โบทู ก, ก, กมันเป็ี่ยนกังซะเนนี่ว่า อันนิมิตนั้นด่าแมงตัวเขาเคลื่อนไหวพลิกมือขึ้นหูมืออันหูมือนั่นแหละคนเรื่องสติอัน น, น, นั้นเนี <les> ่ยเป็นว่าเขามีสติเป็นนิมิตนิมิตเพราะการเคลื่อนไหวนี่เด็ยกมือขึ้นกับหูมือเอียงซ้ายเอียงขวากับหูมืออันนั่นแหละมิตพลิกตาอ้าปากกับหูมือหายใจเข้าหายใจออกกับหูมืออันหูมือนั่นนเรื่นเรื่องสติ สมาธิปัญญามันพร้อมกันมัดมีทั้งสิ่มีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาพร้อมกันมัดควบคู่กับไปพปัดบาทเดียวครับโบมเมซี่ว่าไปรับสิลแล้วยังมาทำอันนี้หรือไปทำกรรมาฐานสะกขอนจึงจะมาเจริญนิพพานาบมเมคำว่าสิลงก็เป็นว่าปกติกายปกติวาจาปกติใจ เขานั่งอยู่นี่เป็นปกติฟังผมวาอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยจิตใจมันเป็นปกติฟังผมวาอยู่อันนั้นเนี่เป็นสิน่งเป็นสมาธิเป็นปัญญาแล้วอันปกติในพุทธนินวรสิ่งสิ่งจึงเป็นเคื่องกำจัดกิเิสอย่งงางหยาบถ้ามันคืดโกดขึ้นมาเขาเห็นเขาฟู้เขาเข้าใจในกิเลสอย่งงางหาบอันโทสะโมหโลภนี่ เป็นกิรลสยางงามเมื came, am a, az, ่อมันคิดทักคิดสั่งผู้ใดอิสาลิสยาเบียดเบียนผู้ใดเขาจีงหูเขาจีงเห็นเขาจีเข้าใจเป็นอย่างต่าหรือเขาพอใจโบพอใจยึดมั่นถือมั่นเขาจีงหูจักจิตใจเขามันนึกมันคิดยังไงเขาจีงหูจับเพราะเขาเป็นปกติอยู่เด็นี่แหละสิสิ่งจึงเป็นเคื่องกำจัดกิรลสยังาม กิเลสประเภทนั้นจีบเกิดขึ้นครับถ้าเขามีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่กับเนื้อกับตัวเขาครับสมาธิเป็นเครื่องกําจัดกิเลสย่างกลางคําว่ากิเลสอย่างกลางนี่แหละเขาบกคอยเข้าใจจําไว้ให้มันดีพิจารณาให้มันคขัดขัดให้มันมีสติติด ต, ตามรู้เรื่องมีคําว่ากิเลสอย่างกลางเขาไปติดศีลติดสมาธิ ติดดีให้ไว้ได้ไหมของเฮ็ดดีอะไรมาไปติดอันนันไปยึดไปถืออันนันอันนั้นแหละเป็นว่ะกิเลสยังกะไปทําสมาธิกับไปติดควบสงบเป็นนั่งอยู่หันแดะดูลมหายใจแล้วก็หลงต้นลมไปลมแล้วก็สงบอยู่หันแดดเนี่ยมันเป็นจันทร์เนี่อันนั้นโบแมนสงบในทางพระพุทธศาสนาโบแมนสงบนําแบบพระพุทธสอน สงบในทางพระพุทธศาสนานั้นสงบแบบพระพุพะพทธเจ้าสอนนั้นสงบจากโหระสงบจากโมหะสงบจากโลภะสงบจากขมโบลูยู่ด้วยคขมเห็นแจ้งขมรู้จริงยู่ด้วยสติยู่ด้วยสมาธิอยู่ด้วยปัญญาถ้าหากเขาเป็นนั่งภาวนาหลับตาอยู่อย่างสันสเหลวไพเสฮเพศไฮไพเสฮนา ไผ่ซื้อไผ่ซื้ขายไผ่ซืเก็บผักหานอมาให้เขากินถ้าฮาเขามีเงินเขาเอาเงินไปหีบไว้นั่งหลับตาอยู่ผู้ไล่มาเอากรบโบเห็นเมื่อเขาไปเลี้ยงหงูเลี้ยงขั้วอยู่นําให้นํานาเขาผู้ไล่ขโมยมาลักเอางินออกขว้วมาป้องเอางินออกคว้วเขาหนี่เขากะ็ะโบเห็นอันนั้นจริว่ามันคู่แบบบุหุจักผมเคยทํามาแล้วเรื่องอย่างนั้น มันบูรหุจักกระเฮ็ดไปอย่างนั้นเนี่ย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็เคยได้ยินเนี่ยเรียนมาจากอาจารย์มาบูหูบูเหตบูเข้าใจสมบับบติเตะได้แล้วเข้าสารออกสารได้แล้วค้องแค้ววองไวเหมือนกันกับอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมเมื่อบูได้จะสรูปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเพิ่งกลาอาจารย์นั้นหนีอาจารย์ก็บอกว่าบูาให้หนี ประกาศคาถมส่วนที่เหียนกับอาจารย์นั้นพระพุทธเจ้าโบเอาโบเอากะหนี่มาทําทุกกะกิริยาอดเข้าอดนาำของเห็นนี่มุะเวกมีตะกระดุกสังสะเห็ดว้มีตะเอ็นตะกระดูกหนังลัดดึงก่อนเอาไว้ไปใส่มาใส่โบได้ป่านนั้นพระพุทธเจ้าเห็ดเขาจีเห็ดได้ป่านนั้นบอบอกมือใสเห็ดป่านนั้นดอก เรืม่มันบนเมนฐานจากนั้นมาแล้วเพื่อนจะมากินมากขับข้อมหมักต้มหมอนี้พวกปัญจวัคคีต่างห้านั้นเห็นพระพุทธเจ้าจินเขานั้นโบได้เป็นพระพุทธเจ้าเธอเด้เป็นคนธรรมดาธรรมดานี่เน้แต่เพื่อนมีจิตใจหนักแน่นต้องการต้องงานคิดว่ามันต้องมีมีเกิดต้องมีตายถ้าโบเกิด ก็ต้องโบตายมีทุกต้องมีสุขอันบนโบทุกเรื่องต้องมีเกินว่าอย่างฉนันเพื่อนก็หาเอาจนพอเป็นอะไรบัด น, นี้อัญญกลธัญญวัปปะพัธิญาัสสาสิมหานามะมาห้าขนมีเห็นนะโอ้ยกินมะขามป้อหมักส้มหมอแล้วบบได้ตัสดสะลุหรอหายคนเทียนเวียนมาม า, มากๆแล้วหนีเมือนั้น เจ้าสายศิทะภุ ม, มาณผู้เฮาที่ว่าพระพุทธเจ้านี่แหละก็เลยไปผู้เดียวไปจึงเข้านางสุดสดานี่จินเข้าวอิ่มนำตำลานแล้วเมื่อนางอวนข้นสม บ, บุรณ์แล้วถามนางสุดสดาว่าจะถวายแกเขาหรือนึกจะถวายทั้งหมดนางก็บอกว่าถวายทั้งหมดบออ่หยาคืนไปเนี่ยการปูซาอ้อนวอนวงส่วงเทวดาก็มีมาคนแล้วเนี่ย เราจะได้รู้จักเนาะศึกษาฟังให้มันดีถ้าฟังโบดีแล้ววกเข้าใจผมเองก็บวกเคยเข้าใจเมื่อไปเสี้ยงนั้นว่าจับธาตุเอาธาตุเอาหันอันนั้นแหละไปแข็บน้ำไปหิมน้ำไปตะฟ่งน้าว่าสังกะได้ทำถ้าหากพระพเจ้าจะได้ตัดสรุปเป็นพระพุริเจ้านั้นวาง ขัล่งทา่านอันนี้ไปให้มันทวนกระแสของน้ำแต่ต้นน้ําคุ้นน่งในทางตรงกันข้ามหากจีบุตัดสลูจีบุบได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วให้มันไหลไปตามกระแสของน้ําวางลงมันก็ทวนกระแสขึ้นไปจ้าจ้าขึ้นไปคือเัาท่อเหงือทวนน้ําไหลเนี่ยครับขึ้นไปเถึงต้นน้ำมันก็เลยจมสลวงลวงไปทึกหัวกระนกากระนาคนอนบูตึน อันนี้ก็ให้เข้าใจเอาไว้มันเป็นปริศนาธรรมหรืออาจีนนี่แท้ๆค่ะโบได้ของโบดได้เห็นของโบหุ่นยักเอาไว้ฮั่นเนี่ยคำพูดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเข า, า, ากละนาคนอนบบตื่นน่ะก็คือเขาลืมโตเขานี่แหละโบตื่นโตจากเทือ่อนอนหลับทับทซิดจึงว่านอนโบตื่นพระพุทธเจ้าตัดสรุปไปหลายพระองค์แล้วนอนยังโบตื่นตอนนี้กระนาคเป็นอะไรสั่ง เราก็มาทำกลมรู้สึกตัวทำกลมตื่นตัวทำกลมรู้สึกใจตื่นใจนี่แหละมันตื่นขึ้นมาอย่างสิอันทวนกระแสของน้ำ้วก็ทวนกระแสของกลมคิดมันคิดมาปุ๊บพอเห็นฟับมันคิดมาปุ๊บพอเห็นฟับกลมคิดมันก็เลยหยุดมันก็เลยบุคิดนี่เป็นว่าขันห้าคนไปจากกลมทุกอันนี้เป็นว่า ขันทังห้าเป็นของหนักเน้อนึ่งพาลาหาโลจก บ, บุกฮโลบุคคลผู้แบกของหนักพาไปพาลาทานังทุกครั้งโลเกลการแบกของหนักเป็นคมทุกขันยิ่งสิ่นึ่งแบกของหนักนีบทนี้ออกมาแบกใส่บ้านี่เนี่ครับตัวเขาหยึดเขาถือตัวอุปทานนันเนี่ครับยึดความสงบยึดสิ่งยึดทานยึดดีนั่นแหละ ปัญญาอยา่ายึดอย่าถือเห็ุสื่อให้มันหูจับซื่อสื่อเหตุซื่อให้มันเข้าใจซื่อสื่อเหตุสื่อมันก็ได้อันสิ้นที่มาซื่อสืถ้าเห็ดอยากได้มันก็ไดไปอันอยากได้ในพุทธเอื้นกิเลสมันเอื nada, ้นเน่ยต <man> ัณหาอุปาทานอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้จิ่วะเื็ดซื่อเหตุซื่อเนี่เป็นการปูซาพระพุทธเจ้าเหตุซื่อเนี่ย เป็นการปูซาพระธรรมเฮ็ดซื่อๆนี่เป็นการปูซาพระสงฆ์อันเขาปูซาดอกไม้ทูบเทียนนั่นก็ดีแล้ว น, นันแต่เอาโตปูซาพระพุทธเจ้านี่เอาโตหุ่นมือนี่ไปปูซาพระพุทธเจ้าลองมึงเขาเคยได้ยินนี่ผู้ใดจะปูซาพระพุทธเจ้าด้วยเขาตอกดอกไม้ทูบเทียนของหอมทั้งหลายนั้นตั้งแต่นน่าแน้นตั้งแต่พื้นดินพี่เลย จนซอดอัปนิธาผมนั้นพระพุทธเจ้าพึงกล่าวได้บูชาพระพุทธเจ้าผู้ใดจะบูชาพระพุทธเจ้านั้นต้องประพฤติปฏิบัติธรรมให้รู้ทมเห็นธทมสมควรแก่ธรรมนั่นเหละจึงว่าเป็นการบูชาอย่างยิ่งมาสิดังนั้นพระพุทธเจ้านั้นก็คือคนธรรมดาธรรมดาขคนนี้แหละอย่างที่ว่ามึดให้ฟังลายเถื่อแล้วว่าเม็ดข้าวถูกเม็ดจะเป็นข้าวเจ้ากร้างข้าวเหนียวก็ตาม ถ้ามันอ้วนมันเต็มนะเอาไปปูกออกมัสุนิษฐ์โบมีวาจิโบออกอะถ้ า, าเอาไปปูกใส่บนซุมบนเย็นออกง่ายถ้าไปปูกบนบุซุ่มบัเย็นนานออกแต่ว่ารักษาอย่าให้หมดกัดถ้าหากหมดโอกัดเอาไว้ฮะนะขมซุ่มขมเย็นขมอุดอุ้นของมันนั้นที่แตกดอกออกคนมาทุกเม็ดโบมีเหลือครับเป็นอะไนั้นจังหวะซาหรือไหวกันเทผิดกันแท้ พภาวะสติปัญญาของคนบ่เหมือนกันผู้ศึกษาเล่าเรียนมาหลายนักกาจีดูรกพ่วงขวผงผู้บได้ศึกษาเล่าเรียนยั่งผมนีน่ผมรู้บุกพ้วงผ้วแต่หู้จากธรรมะอันเดียวกันธรรมะนั่นจึงเป็นอันเดียวกันนังนั้นจีว่าเขาเขารบพระพุทธเจ้านต้องเขาลบโตเฮาเขารบพระธรรมก็ต้องเขาลบโตเฮาเขารบพระน์ทรงก็ต้องเขาลบโตเฮาโตเฮานี่ คือการกับพระพุทธเจ้าแทะหับริเวณพระพุทธเจ้าเมื่อเขาลู่เขาเห็นเขาเข้าใจธรรมะแล้วก็จะรู่ธรรมะอันเดียวกันนั้นเพื่อนว่าให้รู้ทุกขังอนิจจังอนัตตาเพื่อนว่าอันทุกขังอนิจจังอนัตตาไตรักลักษณะทั้งสามมีเขาหู้จักเขาได้ยินครูบาอาจารย์คือเราให้ฟังเพื่อนว่าสัจจะเรื่อ ง, งของจริงเพื่อนเอื้นสัจจะธรรม ของจริงนะบ่เปลี่ยนแปลงบ่แปลผันถึงจะหู้มันก็มีอยู่อย่างสันถึงบ่หู้มันก็มีอยู่อย่างสันถึงที่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรูุมันก็เป็นอย่างสันอยู่ถึงบ่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรูุมันก็เป็นอย่างสันอยู่จชงว่าอันจิตใจอันอยู่ซื่ออย่างที่มู่เพิ่นนางฝังผมวบาอยู่ที่นี่จิตใจมันอยู่ซื่ออันนี้แหละเพโภบาอุเปกข่าววางเสย เนือทุกเหนือสุขเหนือดีเหนือซัวอันนี้อันนี้จิตใจอันนี้แหละมันมีในคนโกคนบนยกเวรที่ว่าให้ฟังนี่บางคนจิตโบได้เบิง่งจิตเบิ่งใจเด้วยเบิง่งไหมนางเบิง่งเบิ่งใจเหล่านี้มันคิดการสร้างโกฆะตามเบิ่งมันอยู่ซื่อซื่อเนี่ยอันอยู่ซื่อซื่อนี่แหละเป็นสมบัติของมนุษย์เป็นสมบัติของเทวดา เป็นสมบัติของพระ อ, อินทร์พระพรมเป็นสมบัติของพระ อ, อเดียเจ้าเพื่ออยเอื้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเป็นสมบัติของมนุษย์อากเรยนทุกท่านทุกคนตั้งใจฟัง ที่เฮามาอบรมกันนี่ได้สี่มือกับมือนี้แล้วที่มาอบรมกันเนี่ว่ามาเจริญสติมาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญาเรืว่ามาปฏิบัติธรรมว่ายังสิได้คำว่ามาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญานั้นเจริญทำไหมอาจจะถึงเจริญเพื่อให้มัน มามากือว่าทำให้มันเต็มจเจริญแต่ว่าทำให้มาทำให้มันเต็มให้มีสติเต็มสมาธิเต็มปัญญาเต็มเลือกว่าปฏิบัติธรรมะให้สม บ, บูรณ์ให้มันเต็มให้บริบูรณ์ขึ้นคำว่าธรรมะธรรมะนี้โดยมาเข้าใจกันไปอย่างอื่นมา คือตัวธรรมะนี่ว่าเป็นตัวหนังสือหรือพระพุทธโลกหรือโบสถวิหารเจดีศาลาการประเรียนเราเข้าใจว่าอ น, นันเป็นธรรมะเพราะจริงธรรมะอ น, นันมันเป็นธรรมะเปลือกหรือธรรมะพื้นๆไม่ใช่เป็นธรรมะที่จะเอาไปใช้กับการทำงานได้ ธรรมะธรรมะนี้ให้เขาเข้าใจว่าคือโตคน ท, ทุกคนนั่นแหละบอว่าเนนบอว่าพระบอว่าฆราวาสญาติโยมทุกคนเป็นธรรมะทั้งนั้นธรรมะนี้มีอยู่สามอย่างด้วยกันทําด้วยกายหนึง่งกายคือรูกพอนนี้แหละทําดีทาซั่วทําดีเรียกว่ากุสนะธรรมทาซั่วเรียกว่าอักุสนะธรรม ทำดีทำซัวบาปคือเป็นอกุศลธรรมบุญคือเป็นกุศลธรรมกายเท่นี้ทามันีึททาอีกสนิดนึงคำพูดเท่านี้แหละพูดคํ า, ายาบคายและสัวซาหลามกอันนี้ก็เรียกว่าอกุศลธรรมเหมือนกันพูดคําอ้อนยนอ่อนน้อมทมตนพูดงัวหัวม้วน พูดออนวอนอันนี้เรียกวุ่ศนะครรมนี่ครับคําพูดที้ทําเองทาอีกนิดนึงคือจิตใจเฮามันนึกมันคิดไปในทางบดูดีอันนั้นเรียกว่าอุศนธรรมเหมือนกันวันนี้จิตใจเฮานี้มันนึกมันคิดไปในทางที่ดีเรียวกว่าอุศนธรรมธรรมะนั่นก็คือโสเฮา ท, ก, ทกคนนี่แหละหรือตัวีวิตจิตใจของคนทุกๆคนนี่แหละนี่ว่าธรรมะให้บางคนจักธรรมะอญาติเกียรติธรรมะธรรมะนั่นจึงเอาไปใช้กับการกับนานได้ทุกๆวิธีบญยกเวนพระสงฆ์องค์เลนกับโบญยกเว้นฆราวาสญาติโยมกับโบญยกเวนธรรมะนี่โดยมากเขาเข้าใจกันไปอย่างอื่นเขาเข้าใจว่า เอารูปผอกายเขาเนี่ยแหละไปทําอย่างอื่นนะบอกเข้าใจว่าลูกกายเขาเนี่เป็นธรรมะแต่พ้อะผมก็คือกันหลุดจากพ่อแม่มาผมก็บอกเข้าใจว่าธรรมะคือตัวเรานี่เข้าใจว่าเป็นพระพุทธลูกื อ, ต, อตัุนังเตืออุติโบติเข้าใจไปอย่างนั้นเป็นธรรมะต่อเมื่อผมไปเจริญสติ จเจริญสมาธิจเจริญปัญญาให้มันเต็มสมบูรณ์แล้วเกิดปัญญามีความรู้ความเห็นความเข้าใจอย่างถูกต้องคำว่าอย่างถูกต้องนี่เป็นยังไงฟังดูอย่างถูกต้องคือ เ, เห็นตัวเหานี่แหละถูกต้องในแท้เหนอันอื่นไปบดถุกต้องเพราะเห็นตัวเหานี่กาลังทำ กำลังพูดกำลังคิดนี่แหละเห็นอันนี้แหละเห็นธรรมมากแท้ๆเราเคยได้ยินว่าสมัยพระพุทธเจ้าตัดกับพระวรกลิตว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราจะอยู่ใกล้เราจับนิ้วเท้าหรือสายจีวรเรายู่ถ้าบบเห็นธรรมมากเขาเสื้อโบเห็นเราถ้าเห็นเราก็าเสื้อว่าเห็นธรรมมากหรือเห็นพระพุทธเจ้าคนไว้ อ้าหากว่าผู้ใดจับธรรมะเอยจับพระพุทธเจ้าอยู่ยังโบเห็นพระพรทเจ้ากับโบเห็นตัวเราเมื่อเห็นพระพุทธเจ้ า, าไป เ, เ, เห็นตัวเรานี่นะดังนั้นคนทุกคนมันมีเม็ดพืชหรือเสื้อผาอย่างไกันใดที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้ามีอยู่แล้วในคนทุกๆคนโบนมียกเวนดังนั้นพระพุทธเจ้ากับคนธรรมดาเนี่กคะคือกัน โมกิดกันเขาเคยได้ยินบ่สมัยพระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นเจ้าทายทาคือกฐากุมารอันนั้นขบุตรไเป็นพระพุทธเจ้าจนได้ลูกได้เมียดได้ราหุ่นนี่แหละอันนั้นกัญญาภูริได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพาโมาบริวานมหาเล็กมูล น, นันท์ไปสมส่วนดอกไม้ไปเห็นลูกอเด็กน้อย เนือคนเทา้าคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วนี่แล้วก็เห็นรูปเทสะมณะรูปหนึ่งอันนั้นก็นยังไพ่ได้เจนพระพุทธเจ้าเป็นคนธรรมดาธรรมดาคือเหล่านี่แหละแล้วก็ศรัทธาเลื่อมใสในรูปสมณะองค์นั้นก็เลยออกไปบวชไปบวชแล้วก็ยังไ่ได้เจนพระพุทธเจ้าไปศึกษาเล่าเรียนกับอาราดาบทอุทกาดาบทจนได้สมบัติแก อันนันก็นยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นคนธรรมดารรมดาผู้มีศรัทธาเสื่อมั่นในใจว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่เพราะว่าเคยได้ยินว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีพระพุทธเจ้าหลายองค์แล้วตัดจรหรือ ด, ดับขันไปนิพพานหลายองค์แล้วนิพพานนั้นคือความสุขว่าท่านเพลินวานะความสุขความเย็น แล้วกระยักไปไม่ผ่านหรือความทุกข์ก็จะต้องการความทุกข์เมื่อไปศึกษายุ่กัปลาดาบทุตักกาดาบทสองอาจารย์นี้ได้สมัาบแตกโบได้เป็นคริเจเถอะแต่มีความสงบแล้วบัด น, นี้พวกอาจารย์เรานั้นจนหมดขมลูกบอก เจ้าชายสิทตถะปุหมานี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเขาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าหมดความรู้แล้วบ่มีความรู้จิสอนเนี่ยพระองค์ในเจ้าสายสิทตถะนี่บุคคลผัสไถลหรือบุคคลใจว่ายัางสังกดัดใยังไ่เป็นทางคนทุกข์อันนี้ยังมีคนทุกข์อยู่ถึงได้ความสงบได้สมาบัตแิแท้แล้วก็ยังมีคนทุกข์อยู่เในลาอาจารย์นี้ มาอดข้าวอดน้ํำอัญลมหายใจบอกฟูดบอกปุยไผทั้งหัดมากับพวกปัญจวคีทั้งห้าหกกับพระองค์บนไม่ได้เป็นพระองค์ไม่ได้ข่านั้นหกกับสมณะลูกสมณะเป็นสมณะองคนึงเส้าสายจิตตะหกคมมานะครับเป็นสมณะมาทํอยางนั้นอันั้นก็นยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านี่แหละแสดงให้เขาเห็นให้เขารู้ให้เข้าใจ การให้ทานการรักษาจิ้มการทําสมถะกรรมฐานอันเนื่อืบว่าอย่างบทันึ่งเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าอย่างบุนทุกข์หาอย่างสิกได้ยโเป็นทางคนทุกบมเป็นทางตัสรู้ว่าสังกัได้เพราะว่ามีผู้เฮ็ุผู้ทํามาแล้วเราควรที่จะคิดควรพิจารณาให้เข้าใจจริงๆ ถ้าหากบอกเข้าใจแล้วเราก็จี้งมงายไปทไปําไปย่งที่เพื่อนทามาแล้วนั่นแหละจากนั้นพระองค์เห็นว่าทํโคมเทียนมาขนาดนีแล้วเนื้อหนังมันตามปกติคนบกินข้าวบกินน้ำบกพูดบกคุยมันก็ต้องจอยต้องผอมลงมีแกะเอ็กับกระดูกหนังลับลึงกันเอาไว้ใส่ใส่มาใส่เพราะลคาญอิดห ลิลีไปนึกจินมาขับป้อมมกต้๊มหมอนี่แหละที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันพวกปัญเจวคีทังห้าอัญญาโคนญญธัญะวัตปัจญญาอาจาตธิเหล่านี้เห็นว่าโอ้เจ้าชายศิษถาภูมานเนี่ยบริตัดสรู้แล้วเพราะขายคนเพียงเวียนมามากๆแล้วห้าคนก็เลยไปปรึกษากันขาย ในว่จจุตจางโบสัทธาใ้วาจปก็เลยหนี้มีกันยังเหลือตั้งแต่พระองค์ผู้เดียวพวกนั้นหนีไปแล้วมันอย่าพระองค์กับไปคนเดียวกินมาขมป้อมมาต้มมอไปคนเดียวนี่เรียกว่าสงัดกายสงัดวาจาได้ใจยใาบดสงัดบางครัง้งบางคราวคิดถึงพวกปัญจวัคคีทั้งห้าทีแรก อยู่ด้วยกันมาห้าหกคนบัด น, นี้โมนันหนี่ไปแล้วเหลือแค่เราผู้เดียวเนี่ยผมคิดมัต้องคิดไปอย่างไรแตการพูดการคุยได้บ่มีแล้วบว่เห็นไปแล้วใช่ไหทา่านบ่มีการหักการฟังไปแล้วพออยู่ผู้เดียวนี้เมื่อเป็นเจ้าพ่อที่ตงห้าอยู่นํานั้นบางทีเห็นพวกนั้นทำหรือพูดพ อ, อใจบ่พอใจแบบนี้ แต่แดงว่าองคมพอใจผมว่พอใจเนี่ยมันเป็นคุกนี่เพราะพระองค์ท่านชิดไปอย่างสิบวันนี้เมื่อเป็นเจ น, นั้นเดินมายัางบ่ได้เป็นคนเลี้าเทือกมาพบเอานางสุดสดาเอาเข้าไปบวงสวงเทวดาเนี่ยการไหว้วอนอวกบวงสรวงนะ่ะมีมาครบแล้วก็เลยไปจกิเข้าวนางสุดสดานี่แหละ ตอนจึงเข้านางสุดสดานี่ถามนางสุดสดาว่าจะถวายตั้งแต่เขาหรือจะถวายทั้งท่าทั้งถามนางสุดสดาเขาท่านอันนี้พ่อแม่อรูบาอาจารย์เคยเล่าสู่ฟังจําได้หรืออาจจะพลาดคิปแต่ก็ได้เพราะว่าจาํามานางก็เลยบอกว่าถวายทั้งหมัดบอ่อยังคืนไปบัด น, นี้พระองค์ก็เลยสั่งเขา อันนั้นปีมดีพีงามแล้วแบบนี้ไปเลยจับเอาธาตุเอาขัน น, นั้นแหละไปรินแม่น้ํำไปอิฐฐานแมนรินแม่น้ ำ, นมมนำว่าถ้าข้าพรเจ้าจีเรศักรลูกเป็นพระปิจเจ้าข้าจีได้ตายขายที่ได้ดลลหลุดนั้นวางขันใบนี้ลงบนผิวน้ำนี้ให้น้ำนี้ทวนกระแสเออให้ขันใบนี้ทวนกระแส ข, ของน้ำขึ้นไปถึงต้นน้าพุ ในทางตรงกันข้ามหากยิบุตริจตสรู้บุตริจเป็นพระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสบุตายขายกิเลสบุรหลุดจริงๆแล้ววางขันือธาตุใบนี้ลงบนผิวน้ำนี่แหละให้มันไหลไปตามกระแสของน้ำพอดีเว่าวจบแล้วก็เลยวางขับลงบนผิวน้ำขันก็เลยทวนกระแสของน้ําขึ้นไปจาจาจ่าจ่าขึ้นไปคือเฮา พท่อเหงือพายเหงือขึ้นทวนกระแสน้ำไปนี่แหละไปถึงต้นน้ำพุน้นไปจมลงใช้ซึกหัวกระระนาวสารพันว่ากระระนาคนอนอยิ่งโมตื่นตอนนี้แบบนี้กระระนาค ก, ก็เลยเพ่งเล็งเห็นนะโอ้ทิพย์พาสเนี่ยได้แับจะรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วด้วนี่ว่าหันแต่พักพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ละองคนั้นไป่ซ้อนหัวกระระนาคนอน เอาไปเป็นหมอนให้วัไดไปแต่ขันอันเทพาปุริเจ้าแต่ละองค์พระองค์นั้นเสี่ยงอธิษฐานนั่นไปแต่เป็นหมอนขอกระนานอนอยู่นนเนี่ยคนเราสู้จากจากนั้นมาแล้วพระองค์ก็เลยขึ้นมาทําทุกข์กะยืยาบําเพ็ญทางจิตที่ใต้ต้นโพธิ์เลยได้แต่รูกเป็นพระพุริเจ้าเป็นพระลังขันฆ่ากิเลสตายขายกิเลสหลุด ก, กับท่านแหลก อันนี้การทำทางจิตนี่แหละเราบวกให้เข้าใจอผมเองอันเนี้ยผมบอได้ว่าผู้นั้นผู้นี้แหละคันว่าบําเพ็ญทางจิตก็กไปว่าหายใจเข้าคุดหายใจออกโทรหรือว่าสัมมาอะระหังออคือกันนับหนึ่งสองสามก็คือกันพองยุบ 1, 2, 3, ออก็คือกันเบื้องลมหายใจคือกันเท่านั้นหรืออาณาปานสติกับเบื้องลมหายใจเข้าสั้นออกยาวลมหยาบลมละเอียด เบิ่งเืองฟังบ่ได้เบิ่งจิตเบิ่งใจจิตใจกับลมหายใจได้คลายคลสื่อกันแทักบ่แน่เพราะลมหายใจมันบุคิดหักบุกคิดฟังผู้ใดเนี้ตัวมันคิดหักคิดฟังตัวมันดีใจเสียใจนั้นมันบ่ได้ลมหายใจเน้มันไม่คมคิดอันนึง่งต่างหากเนี้นี่ที่ผมเข้าใจไปอย่างสิดังนั้นจึงจะนํำมาเราคมจริงสู้กันฟัง การบำเพ็ญทางจิตทางใจนี่ต้องเอาสติมาดูจิตดูใจที่มันนึกมันคิดนี้เรียกว่าจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาให้มาเมื่อสติสมาธิปัญญาบ่มากบ่สมบูรณ์บ่เต็มแล้วบ่เห็นข่มสิดเนี่ยบ่รู้จักรู้จักแต่มันคิดบ่รู้จักต้นต่อของข่มคิดมันคิดมาจากใส่บลู เมื่อจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาเป็นสมบูรณ์แล้วหูจักโลตเดียมันคิดปุ๊เห็นตับโลดนี่นี่แหละทางดับทุกข์ทางจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาเพื่อเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระสงฆ์ได้อย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าคืออย่งั้พระพุทธเจ้าคือจิตใจที่มันสะอาดสว่างสงบนั่นแหละ พระธรรมคือยันนั่พระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงซีแนวเอาไว้นั่นแหละคือพระธรรมให้เบื้องจิตเบื้องใจที่มันสะอาดสว่างสงบนี้พระทรงคือยันพระทรงก็คือโตทุกคนปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละได้รู้ตามเห็นตามเข้าใจตามพระพุทธเจ้านั่นแหละคือพระทรงอันท่าทรงที่หาบวดเป็นพระเจ้าพระทรงอยู่ตามวัดวาอาราม ตามบ้านตามเมื อ, องเขาทุกมือนี้อันนึกับพระสงฆ์โดยสมมุติบมีพระสงฆ์ย่างที่ผมว่านี้อันพระสงฆ์ย่างผมว่านี้ผู้หญิงกับเป็นได้ผู้ชายกับเป็นได้มวกก็ได้บวกก็ได้กกไดพ่อผมเองเนี่ยเนี่ยว่าอยู่เนี่ยผมไปปฏิบัติธรรมะผมติงโหนุน่ง ก, กางเกงขาสั้นกางเกงขายาวนุ่งเสื้อแขนสั้นนุ่งเสื้อแขนยาวผมก็เข้าใจไหม และทุกคนก็ต้องมีหูมีตามีแข้งมีขามีมือมีเท้าเหมือนกันทุกคนมีจิตมีใจเหมือนกันทุกคนเมื่อเจริญทุกทางแล้วมันก็ต้องเป็นคือกันหมดทุกคนไหมมันจิตวิเศษวิสูอันใดผิดกันบอกผิดกันตั้งแต่จิตใจมารู้ธรรมะเข้าใจธรรมะมันเลิกละผมโอษฐ์มโรคขมโยมมีได้ไหมอันนี้ผิดสําหรับโทสะโมหะโลภะ ความยึดมั่นถือมัน่นกิเลสปัญหาอุปทานกรรมนี่เป็นของซัวของยากเป็นของบุดีแต่เขาทำมาเองที่มันเกิดขึ้นเพราะอันไดเพราะเขาเป็นคนลืมโตเพราะเขาไม่เห็นตัเขาไ่าเห็นชีวิตจิตใจของเขามันเลยมีผู้ใดผู้นึ่งมาวายเขาดีใจเสียใจเนี่ยแล้วก็ยึดมั่นถือมัน่นเนี่ยมันเป็นทุกสิ่งเหล่านั้น เพื่นว่าถ้าหากมีผู้ใดผู้หนึ่งมาไหว้เขาบ่มีโทสะบ่มีโมหะบ่มีโลภะบ่มีความยึดมั่นโบถือมั่นในคําโพูดอันนั้นฟังแล้วแล้วไปคนเอ้อว่ามันบุทหุกอ่ะเช่นความคิดของเขาแบบนี้มันคิดมันปรุงมันแป้งไปยึดไปถือมันหุกอ่ะมันคิดขึ้นมาเอาเห็นปุ๊บผมคิดมันทุกข์ยุบเนี่ยเพื่อนว่ามันเลยเต็ม มาเลยสมบูรณ์อันนี้เรียกว่ากลับหนึงก็ได้จีว่าเจ้าไดก็ได้มันสมบูรณ์นั่นแหละคนเอื่อนกับหนึ่งคำว่ากลับกับนี่เราบอกเข้าใจคมเองผู้นึงก็ บ, บอกเคยเข้าใจเรื่องอย่างสิเข้าใจไปว่ากลับนึงกับว่องลอยโยดลึกร้อยโยดร้อยปีของเมืองคนไปเป็นตีทิพย์ของเทวดาหนึ่งปีเทวดาจ้เม็ดนางงามไปทึ้หงหนวหันเจนห้าเพยียงเพีย ง, งามคือหน้าขอเนี่ยไปกับหนึ่งกัน อันนี้หมายถึงตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาสมบูรณ์เต็มนี่แหละเป็นขับหนึ่งเหมืนวา่าอย่างไรบันทึกขันว่าทางสูงเหมือนเด็กคนวา่าขับเนื่องกบกวงลอยโยต์สูงลอยโยต์้อยตีของเมืองคนมีเทวดาเอาเผาอ่ อ, อนจะปัดลงให้ดอยให้ครัวนั่นแหละห้าเพียงเพียงงามก็เป็นขับหนึ่งเหมือนขันคนว่า อันนี้ก็แสดงว่าเขามีสติมีสมาธิมีปัญญาสมบูรณ์ลมโคตรคือโทสัคข่มลงคือโมหะข่มโลกคือโลภะมันบกเกิดขึ้นได้มันต่าลงมามันห้าทเพียงเทียนน้ำอันนี้ก็เป็นกับหนึ่งคือกันชมเข้าใจไปอย่างที่บนเร้เข้าใจอย่างเก่าๆนั้นอันนี้แสดงว่าทุกคนทําได้ถ้าหากรู้จักวิธีจริงๆแล้ว อันที่เราทําบุญให้ทานรักษากิต น, นั้นทำกรรมฐ า, านนั้นดีอยู่ได้อันนั้นก็ะแด่แต่หากผมไม่ทางตัดกระลุผมไม่ทางดับทุกข์ผมไม่ทางฆ่ากิเลสมันดีอยู่กับโลกโลกนี่ยมันดีอย่างลอยเปิดศิลป์อันอย่างผมว่านี่มันดีลอยเปิดศิลปมันรู้จักไหมนี่แสดงว่าความสงบนั้นมีอยู่สองอย่างด้วยกัน ย่างเทพพระพุทธเจ้าเอาตัดจัลูแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ย เ, เพิ่งเลงลงไปที่ไปทำกรรมฐานกับอาลาดาบทอุทกกาดาบทและ้วมะกกั้นลมหายใจบอกกินขา้าวบอกกินนา้าบอกพูดบอกคุยนั้นอันนั้นกระดีแค่มันสงบแปดก็รู้ดังนั้นความสงบจึงมีสองอย่างด้วยกันนั่งสงบอยู่ทั้งปีทั้งศาตร์ก็ได อันนี้แสดงว่าอันนั้นสงบอย่างหนึง่งอย่างผมว่านี่สงบอย่างหนึง่งแต่ผมกบ็บม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าดอกแล้วว่ะแต่ว่าความจริงทุกคนทําได้ผมสามารถและมีความสามารถรับรองว่าจะพยายามแมนะนําให้ผู้สนใจได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจจริงๆเรื่องนี้เพราะว่าทุกคนต้องการความสงบอยู่แนี่ แต่อกบุญหุจกัจกรความสงบคือหยัง่งอยู่ใส่ึ่งบุญหุจักแต่ต้องการควมามสงบนะครับต้องไปนั่งสมาธิหลับตาภาวนาคุดโทบ้างจัมมาอรหังบ้างนับหนึสองสามบ้างดูท้องของท้องยุบบ้างดูลมหายใจเข้าสั้นออกเหงาบ้างลมหยาบลมละเอียดบ้างเนี่ยเข้าใจอันนั้นเป็นความสงบแต่จริงยู่ความสงบแบบนั้นผมบ่กได้ปฏิเสธ แค่มันจริงโดยที่ว่าสงบแบบโมลุคนว่าง่ายๆก็เรียกว่าสงบไปโมหะวาตทางภาเพราะโมหะเป็นข่มหลงไหมบัญหาเรียกว่าหลงลืมธรรมะเรียกว่าโมหะคือข่มหลงบัญหาเรียกว่าหลงลืมเรื่องกับลืมเนี่ยมันสัมกันขันเนาะลงนี่ยังมีโอกาสมีเวลาที่จะค้นทบได้สอบหาเหตุได้อันลืมนี่แหละ พวมีโอกาสพวกมีเวลาที่จะพบเหตเห็นได้พ่อเขาลืมลืมยั น, นลูนจิตลืมใจเขาลืมชีวิตของเขาลืมตายได้บางคนบุหัวจักเขาดูพนามอันบุหัวจักนั้นไม่ยันเนาะอันนั่นแหละลงลืมโตแล้วเนะี่ยพ่อแม่เคยสอนไว้มึงจะลืมโตเนอะขัเขาผิดเขาเทียงกันมึงจะลืมโตเด้อ อันยันลืมโตนี่แสดงว่าโทสะโมหะโลภะขวมยึดมั่นถือมันมันตกหน้าเอาโยลืมโตถ้าบ่ลืมโตแล้วมันบ่โคตรโทสะมันบ่เกิดโมหะมันบ่หลงโลภะมันบ่โลกดับได้ของกุรันภูนิยากได้ต้องเฮ็ดเอาหาเอาโมลักเล็กขโมยน้อยบ่อิสาฤิษยาเดียดเดียนกุรันภูนี้เรียกว่าเป็นคนบ่ลืมโต ถ้าคนอื่นมาลักของเขาเขาก็เสียใจคนอื่นมาพูดคำหยาบพายเขาเขาก็เสียใจถ้าเขาไปลักของคนอื่นคนอื่นก็ต้องเสียใจถ้าเขาไปว่าคำหยาบพายให้คนอื่นคนอื่นก็เสียใจบุตีทั้งหมดนต้แสดงว่าเขามีสิ่งใดต้อเอาสิ่งนั้นไปให้ข้าเจ้าเขามีความบุตีกับไปหาโมู่หาเพื่อนแสดงความบุตีนั่นแหละออกมาให้ข้าเจ้าข้าเจ้าก็ได้รับไป เอาให้ยังไงย่อกเอาไปด่ากันนี่แหละไปว่าเอาควมบูดีนีไปให้กันพูดนินหาว่าเกล้ากันทางบูดีเนี่เอาอันนี้แหละไปให้กันถ้าหากเขาดีมีของดีแต่กันยกย่องกันกัระเซิรนกันได้ความดีควมบูดีย่อมมาเราแล้วเว่าจังสั้นมันบูดีอย่างที่อในบูดีก็บอกกันซึ่งแต่แสดงความดีๆเนี่ยเพร่อข้ามีควดีเนี่ยนีแสดงมาพราพุทาสอนตั้งแต่ความดีเท่านั้น ดันัน้ความสงบจึงมีอยู่สองอย่างด้วยกันสงบแบบกรรมฐานกรรมฐานนั้นสงบใตรโมหะสงบแบบที่ปัสนานี้แบบสติจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญให้สมบูรณ์นี่สงบแบบปัญญาปัญญาจึงแปว่าหลอบลู่ในของสังขารสังขารคือยังสังขารคือรูป ก, กายเหลานี้อันนึ่ กินข้าวกินน้ํามันปรุงมันแป้งขึ้นมาเป็นรูปเป็นน้ําขึ้นมาสังขารอันหนึ่งเด้สังขารอันหนึ่งคือโตจิตโตใจมันนึกมันคิดคุณมันเป็นส่วนลึกอคนอื่นมอง่เห็นตัวเองยู่กับตัวเองแค่ก็นยอบมองเห็นเนื่อแสดงว่าเราลืมโตจริงจริงเรื่องนี้สังขารปรุงแป้งมันเป็นอย่างมันเป็นทุกข์มันยึดมั่นถือมั่นมันเป็นทุกข์ เมื่อเหาลูเหาเห็นแล้วสังขารตัวนั้นพัฒนาได้โบกปุ่งโบแซงในทางที่ยึดมั่นถือมั่นอโบทุกขแท้สังขารตัวรู ก, กายเน้พัฒนาบ่ได้ ย, ย่างพัฒนาได้ก็ต้องไปอาบน้ํามันหนาวมันก็ต้องคลมผ้ามันพ้องก็ต้องอาบน้ําไปพกไปขี่เพื่อใข่ออกได้พัฒนาได้แบ า, านี้ยื้อไว้มันเท้ามันแก้บให้มันตายมันเป็นไปบ่ได้ ทำไมเชื่อว่าเป็นไบโบได้แหนพระโพธเจ้าเองสัตยจะรู้เป็นพระลัหันแล้วก็ยังตายเป็นเนี้ยในประเทศอินเดียเขาเคยได้ยินเนี้ยตายเมื่องขุดจิตนาลายวัดป่ญวาน่ะว่างแม่หังสองโซ น, น, นปัญวาต่างต่างเนี้เนี้ยแล้วเขาที่ไปดีเหลือพระโพธิเจ้าได้บอกดีเหลือโบได้มันต้องตายเรื่องนี้พัฒนาโบได้แค่เราพัฒนาให้มันยู่ดีจินดีเท่านั้นซื่ง เป็นเรื่องตัวสังขารโตจิตโตใจมันนึกมันคิดพัฒนาได้ครับรับรองพัฒนาได้จริงๆพัฒนายั่งได้กันพัฒนาบล็อตมันมีโธสัตบล็อตมัมีโมหะบล็อตมีโลภบล็อตมีอุปาทานบล็อตมันยึดมั่นถือมั่นแล้วมันกับบทุกมันบุทุกเป็นอย่งนั้นมันบุทุกกระทานาทําส่วนออขุดดินกันไม่ซื้อขายง่ายมือได้ เทคนิคอย่างใดมัดมันบดุกอันนี้แสดงว่าสงบแบบนี้โบได้สงบไปนั่งนั่นนี้สงบจากโทสะต่างหาสงบจากโมหะต่างหาสงบจากโลภะต่างหาสงบจากอุปาทานข่มยึดมั่นถือมันต่างหาซึ่งเ่านี่มันจืดมันจางไปม่มัดนี้แสดงว่าซึ่งนั้นโบได้มีอยู่ที่เราเราไปจับมันมาซื้อ เอาสมุติมือเหานี่เหาแบ่มือออกสิบุมีอย่างติดมือเหามีอันไรมาจกใส่มือเหาปั๊บจับปั๊บเนี่จับปั๊บเริ่มกับติดที่แบบนี้แบบนี้มีอะไดมาจกใส่มือเาปั๊บข้อมือลงปั๊บมันรุดลงรเป็นพติดเนี่ยมันเป็นยังไงนี่แสดงว่าของจริงมันเป็นอย่างนี้เรื่องชีวิตแบบนี้ชีวิตนั้นมันก็เคยว่ารู้จักว่าทุกข์ว่สุข มันอยู่สื่อสูออตัวซื้อของเาัาอันตจิตตใจโตมันนึกมันคิดพวกน้มันทุกข์กันไม่เดาว่าทุกข์ไม่เดาคว่าสุขเนี่ยอันโตมันว่าทุกว่าสุขเนี่ยมันแสดงตัวมันเองดังนั้นเขามาฝึกฝ่ามาปฏิบัติแบบนี้บาหยารับรองได้อ้าวถ้าหากพอแม่พี่น้องมู่เพื่อนทุกคนต้องการ จริงๆล่ะผมรับรองได้สามปีบวเกินโหสะโมหะโลภะห่วมยึดมั่นคือมันจะจืดจางลงไปจริงๆจืดจางลงไปจริงๆเพราะทุกคนนึ้นคือกันนี้มันมีตามีหูมีแข้งมีขามีมือมีเท้านุ่งผ้านุ่งเสื้อเป็นคกันนี้เจ้าหวไอจวกระมีคือกันนี้ไหมผู้หญิงผู้ชายกระมีคือกันนี้อืม แปลว่าคนซาตไดธือศาสนาใดเขาต่างฟังนี่แหละคือธรรมะแท้ธรรมะจึงคือคนทุกๆคนทีม่มียกเว้นยกเลนจับคนไปบวได้ธรรมะนี่ธรรมะนั้นจึงว่าทําดีก็เป็นคนทําทําำัำ้วก็เป็นคนทำํำเ้าดีก็เป็นคนเราเราซ้วกั็เป็นคนเราคิดดีก็เป็นคนคิดคิดั่วก็เป็นคนคิดนี่คําว่าคนคนกับธรรมะจึงเป็นอันเดียวกไงพอแม่เราให้ฟัง คนนี้ใ่ว่าขวนวิ่ไปวิ่งมามันบุ้งเจักเรื่องกันเขาว่าโซเล่คนเนีย่ยวิ่งหนากโซเล่แค่แบกอันนี้อีอันนี้เนี่ยวางกันคนใจว่ากดเดียวโซเล่วิ่วไปวิ่งมาบุ้งเจักเรื่องกันแล้วเขาว่าบ้าปักผีบา้บาอีผีบา้าเนี่ยมันวางเนืน่องจากคนกับอวนอันเดียวกันบ้ากับคนกันอันเดียวกันแต่บ้าอันหนึ่งนั้นบ้าบุ้รู้จักหายอันหนึง่ง บ้าบนงเสื้อคนุงผ้าเนี่ยบ้าไ่รู้จะขายบ้าแบบหนึ่งฮั้นโกหกพูดเท็จหลอกหลวงบ้านี่เบ้านหนึ่งบ้าหลอกบ้าหลวงบ้าแบบหนึ่งฮั้นบ้าเมาคำพูดของตัวเองบ้านย่าหนึ่งบ้าอย่างหนึ่งเมาหาเงินหาท้องบ้าอย่างหนึ่งบ้าหลายบ้าบ้ากินเหล้าเมาสุราเล่นการพนันรักเล็กขโมยน้อยบ้าคนนั้นด้าคนนี้ คูดอีสาลิษยาเดียดเดียนคนนั้นคนนี้นี่ยซกต้อยคนนั้นคนนั้ก็บ้ากันมัมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เขามีสติมีสมาธิมีปัญญาจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาให้มันเป็นซะให้มันเป็มศาสตร์นี้นี่แหละคำมันเป็นนั่นแป็ว่าสมบูรณ์เป็นกลับเป็นคำเป็นเะเป็นเถะ บอกเน้นว่ากิกลับหนึ่งกว้วงลอยโยต์เล็อกลอยยต์เทวดาอาเม็ดนางนาไปทิ่นใส่โบเต็มบบเป็นกลั บ, ม, บมันเต็มไม่ได้เป็นขับเมื่อ น, นั้นทุกเหมือนกันแต่เห่าโบเข้าใจบุมีปัญญาคำว่าสูงลอยโยต์ใหญ่ลอยยต์มีเทวดาเอาเม็ดเอเอาเเ้านเอาไปตัดไปกวดนั้นห้าเพียงเพียงนามก็เป็นกลับคือกันอนาั้นะทู้คือกันใครจะไปเฮ็ดได้ให้จังใจเ้าสมมติครูเขาลูกนึง่งไม่จุงโพดก็ได้ เราต้องเอาง่ายหรอเอาจุ่มโคยึทางทงให้ต้องงาเทานัน